เรื่องที่ไปแสดงก็คือเรื่องอาหารสีนะไปทำปริญญาอาหารสีก็ก็เป็นเรื่องที่น่าฟังเหมือนกันนะที่นี่ความจริงที่นี่ก็น่าจะน่าจะดีดีแล้วนะสองรอบแล้วนะพุทธสูตรนะครับนะฮมังสา พ, พุทธสูตรนะครับแต่ผมเพิ่งเข้าใจเมื่อวานนี้ ก็เป็นเรื่องการทำปริญญานะครับซึ่งผู้ที่ฟังใหม่ๆก็อาจจะอาจจะต้องงงนิดหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> พวกนั้นเขาก็บางคนก็บางคนก็มีพื้นฐานดีนะบางคนก็อาจจะไม่มีโดยเฉพาะพี่ๆผมัเมื่อค่อยมีก็อาจจะทำปริญญาคันญาตะาปริญญาตีนัปริญญาในอาหารสีนี่ก็เดียวนี้คาว่าปริญญารู้สึกจะเป็นที่ ที่คุ้นเคยกันละค่อยค่อยค่อยคุ้นกันมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยคุ้นเลยเรื่องปริญญานี่นะศึกษาธรรมะมาตั้งนมนานนะคำว่าปริญญานี่ยังไม่รู้เรื่องเลยก็เดี๋ยวนี้ชักชินขึ้นแล้วครับเพราะว่าผมเห็นประโยชน์มากๆในะคําว่าปริญญานี่นะแม้ในสุนทรลีกสูตรนะในอัตถกถาท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุเราตั้คตถึงที่สุดแห่งทุกข์คือวัตถุทุกข ด้วยปริญญาอันนี้ตรงๆเลยะเพราะฉะนั้นเรื่องปริญญาจริงมีความสำคัญมากๆเลย นี่ก็มาขึ้นบัพพาะใหม่เลยนะขันธบัพพระก็ว่าเป็นเดือนนะแล้วคงเป็นที่คุ้นเคยมากแล้วก็มาขึ้นอายตนะบัพพระพุธพจน์ในหน้าแปดนะในหน้าแปดเอกสาร ข้อ143กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุ พ, พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6กพิสูุ์พิจารณาเห็นธรรมะคืออายตนะภายในและภายนอก6อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตารู้ชัดรูปรู้ชัดสังโยชน์ที่อาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้น อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยก็บทแรกก็เอาจักสุกับรูปใช่หหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของสังโยชน์นะ สังโยชน์ที่อาศัยจากสุและรูปเกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้อย่างไรที่ละได้แล้วจะละเด็ดขาดได้เมื่อไรเนี่ยนะส่วนทวารอื่นก็ในยะเดียวกันเช่นทวารหูย่อมรู้ชัดหูรู้ชัดเสียงและรู้ชัดสังโยชน์ที่อาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนั่นก็ในส่วนของสังโยชน์เนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมคือสังโยชน์0ินั้นสังโยชน์10นั้นที่อาศัย หูกับเสียงเนี่ยเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดขึ้นแล้วจะละได้ยังไงถ้าละเด็ดขาดจะละได้เมื่อไหร่เนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่ที่จะต้องเอามาทำปริญญาเนี่ยนะีอันนี้เน้นตัวหูกับเสียงนี่เป็นปริญ ญ, ญาธรรมส่วนสังโยชน์ทั้งหลายเป็นปหาตปธรรมเพราะฉะนั้นเริ่มแสดงคู่กันแลนะ้วเนี่ยเอาปริญ ญ, ญาธรรมกับ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 นันทวารจมูกนี่ก็รู้จักจมูกต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะรู้จักกลิ่นต้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักสังโยชน์สังโยกก็คือเครื่องปลูกเครื่องผูกกันนะที่มันผูกจมูกไว้กับกลิ่นอ่ะมันผูกไว้อย่างไงไอตัวไหนเป็นตัวผูกถ้ า, ถามันจะถูกผูกถูกผูกเมื่อไหร่ถ้าถูกผูกแล้วจะละมได้อย่างไงจะใช้มีดอะไรมาตัดถ้าตัดแล้วมันจะไม่งอกต่อไปอีกที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยพวกนี้ต้องชัดเจนหมดอะ สังโยชน์สี่อะไรบ้างนะโยคะเนี่ยสี่แต่ถ้ า, ถาสังโยชน์นี่ยสิบแต่ถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คื อ, อสังโยชน์เบื้องต่ํากับสังโยชน์เบื้องสูงอัะนนั้นก็แบ่งเป็นสองแบบนั้นก็มีสังโยชน์เบื้องต่ำก็ขยายมีห้าสังโยชน์เบื้องสูงก็เป็นห้าแต่สังโยชน์สี่นี่ ตัวเลขสีเนี่ย<ม>เยอะนะอาสวะโอคะโยคะคันทะพวกเนี้เป็นกลุ่มตัวเลขสี่ยนยนะเหมือนกับโยคะ น, ยนะนิทวานลิ้นเนี่ยนะย่อมรู้ชัดลิ้นรู้ชัดรสและรู้ชัดสังโยชดที่อาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอันหนึ่งสังโยชดที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนี่นะทวารลิ้นเนี่ยนะถูกผูกไว้ยังไงผูกแล้วจะผูกจะแก้ได้ยังไงนี่นะแก้ละเรียกว่าตัดฉันธราคะในอาหารได้เมื่อไหร่นี่ก็อันนี้ต้องเอาเอาให้รู้ให้ชัดเลยนะเรียกว่าศึกษาเรื่องลิ้น จนรอบรู้ในเรื่องลิ้นรอบรู้ในรถรอบรู้ในเครื่องผูกลิ้นให้ติดกับรถเนี่ยนะไม่แน่นะมันผูกสมมติว่ารถอร่อยอร่อยมันจะอยู่ไกลต่างจังหวัดนี้บางคนเนี่ยลิ้นกับรถเนี่ยมันผูกไว้ต้องดึงไปหาอรถชนิดนั้นจนได้นะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกก็ไม่ผิดใช่ไหมสีมันอยู่ไกลขนาดไหนก็ดึงตาไปหาใช่ไห ดึงตาไปหาสีดึงหูไปหาเสียงบ้างดึงจมูกไปหากลิ่นดึงลิ้นไปหารสเนี่ยนะสังโยชนี่มันผูกเอาไว้มันเหมือนโซ่ก็ได้นะมันล่ามเอาไว้มันกระตุกเป็นพักๆหนึ่งนมันอยากให้ไปดูบางอย่างเป็นพักใช่อยากให้ฟังบางอย่างเป็นพักอยากให้รู้กลิ่นบางอย่างเป็นพักอยากให้รับรู้รสบางอย่างเป็นพักๆนันะี่นี่ก็ว่าพระพุทธ พ, พุทตามพระสูตรไปก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะเอามาเรียนอย่าง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 สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้ชัดใจรู้ชัดธรรมรมและสังโยชน์ที่อาศัยใจและธรรมรมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนะไอยตนาภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจออยตนาภายนอกหคือรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะและธรรมรมนะก็รอบรู้ทั้งภายในและภายนอกสังโยชน์คือเครื่องผูกตากับผูกสีเนี่ยนะเครื่องผูกอันนี้ หรือเครื่องร้อยรัดอันเนี้ยต้องศึกษาให้เข้าใจละเอียดว่ามันเกิดขึ้นยังไงถ้าเกิดขึ้นจะละได้ยังไงถ้ามันยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ไหมถ้าเกิดแล้วจะละได้ยังไงเนี่ยนทีนี้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวเท่านั้นใช่ไหมพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะเป็นภนายในบ้างทั้งหมดที่กล่าวนี้ทั้งภายในนะพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะเป็นภายนอกบ้างพิจารณา เห็นธรรมะในธรรมะทั้งภายในทั Ray, rag, ratings, ้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในธรรมะบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในธรรมะบ้างเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมะบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมะมีอยู่ก็เพียงเพื่อให้ความรู้เนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียงเพื่อให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละ และเป็นผู้อันตันหาทิฏฐิไม่เข้าไปอาศัยในอายตนะทั้งหมดเหล่านั้นนั่นแหละแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตตานั่นเองนี่แหละกว่าไม่ถืออะไรในโลกคืออุปาทานขันธ์ห้าดูความพิสูจนทั้งหลายแม้อย่างนี้พิสูนชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกหกอยู่ธรรมะกลุ่มนี้ก็ เป็นธรรมะที่โดยความรู้สึกถือว่าลึกซึ้งมากนะถ้าเป็นนิวรณ์ห้าก็คุ้นๆกันอนะอันนี้เอาสังโยชน์มาสิบเลยนะ่ก็ขยายนิวรณ์ห้านั่นแหละสังโยชน์1ิบนั้นก็เป็นธรรมะที่นับว่าจะต้องละเมื่อจะต้องละเนี่ยทีนี้สังโยชน์เหล่านี้มันเกิดที่ไหนมันก็เกิดใน หรือเกิดอาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทั้ง6นั่นแหละ น, นะตากับสีนี่แหละเพราะสังโยชนี้โดยสัพแปลว่าเครื่องเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยรัดนี่นะทั่วๆไปนิยมแปลว่าเครื่องร้อยรัด น, นะมันร้อยรัดอะไรร้อยรัดตาไว้กับสีนี่นะร้อยรัดหูวไว้กับเสียงไอ้คาว่าร้อยรัดนี่บางทีมันร้อยแบบโกรธก็มีนะไม่ใช่ว่าร้อยแบบชอบไปหมดนะเพราะว่าสังโยชน์มันมีทั้งโลภโทสะและโมหะนี่ มีทั้งริสยามีทั้งมานะมีทั้งทิฏฐิเนี่ยสารพัดมีนะไอ้คำว่าเครื่องร้อยรัดเนี่ยมันไม่ได้รัดด้วยอันความชอบเสมอไปมันรัดแบบไม่ชอบก็มีนะเพราะอะไรเพราะไอ้เครื่องผูกเนี่ยนะผูกข้อมือเนี่บางทีผูกด้วยโซ่ก็มีใช่ผูกด้วยสายสร้อยก็มีนะไอ้ของผูกๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นของดีเสมอไปใช่ไหมไม่ได้เป็นของที่ชอบเสมอไป สัพที่ควรทำความเข้าใจก็คือศั์ว่าอายตนะเนีน่ยนะควรทำความเข้าใจเป็นเบื้องแรกก่อนว่าอายตนะเนี่ยคืออะไรซึ่งก็ยกข้อความในคัมภีร์วิพังมาอายตนะวิพังเนีน่ยนะเพื่อจะให้เห็นชัดถึงคำว่าอายตนะใครอยากดูก็อยู่เล่มเจ็สิบเจ็ดนะเล่ม7จสิบเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสามเป็นต้นไป ขยายถึงอายตนะนั่นนะศัพท์ว่าอายตนะนี้มีความหมายว่าเครื่องต่อก็ได้นี่นะอายตนะหรือว่าการแผ่แห่งธรรมะอันเป็นบ่อเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างที่สองนะคือการแผ่ธรรมะอันเป็นบ่อเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างที่สามก็นำไปสู่สังสาระต่อไปนำไปสู่วัตตะต่อไป ทั้งสาหัวข้อนั้นข้อแรกก่อนนะที่ขยายคําว่าอายตนะหมายถึงเครื่องต่อต่ อ, อยังไงว่าไงจิงอยู่บรรดาอายตนะทั้งหลายมีจักสุและรูปเป็นต้นมีอธิบายไว้ว่าธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกมีอารมณ์ตามทวาร น, นั้นๆย่อมเจริญขึ้นย่อมตั้งขึ้นย่อมสืบต่อย่อมขวนขวายไปด้วยกิจมีการเสเวย อ, อารมณ์เป็นต้นของตนของตนอันนี้เป็นคําอธิบายข้อแรกก่อนนะ คือหมายถึงว่ามันสืบต่อใช่ไหมเช่นเมื่อมีตากับมีสีขาวขึ้นนะตากับสีขาวเนี่ยไอ้ที่ต่อมาคืออะไรก็จิตและเจตสิกมันจะเริ่มต่อกันขึ้นใช่คือตากับสีเนี่ยนะพอพอรับเอ่อตากับสีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจิตเห็นก็เกิดเมื่อจิตเห็นเกิดเนี่ยจิตเจตสิกก็เกิดขึ้นทีนี้จิตมันไม่ได้หยุดอยู่แค่จักรคูวิญญาณมันตอบด้วยจักรคูทวารวิถี ทั้งหมดเลยนะทีนี้เวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตก็ทําหน้าที่ของจิตไปเจตสิกก็ทําหน้าที่ของเจตสิกไปภาษะก็ทําหน้าที่กระทบอารมณ์เวทนาก็ทําหน้าที่สเสวยอารมณ์สัญญาก็ทําหน้าที่จําหมายในอารมณ์เจตนาก็ทําหน้าที่จงใจในอารมณ์เนี่ยนะท่านจิตเจตสิกก็จะทำหน้าที่ของตนของตนหรือว่าจิตเจตสิกจับเจริญขึ้นเลยไหมอาศัยตากับสีอย่างเดียวนะ จักขู่ทวารวิถีเกิดเต็มไปหมดเลยอาศัยหูกับเสียงเนี่ยนะโสตะทวารวิถีจิตเนี่ยเกิดหมดเลยอาศัยจมูกกับกลิ่นเนี่ยขานะทวารวิถีนี่เกิดเลยอาศัยลิ้นกับรสเนี่ยชิวหาทวารวิถีเนี่ยเกิดเลยอาศัยกายกับโพธาภาเนี่ยกายะทวารวิถีก็เกิดอาศัยมโนกธรรมะเนี่ยมโนวิญญาณเนีย่ยนะชวนะในมโนทวาร น, นี่ก็เกิดบานเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเครื่องต่อนีอนะเครื่องต่อ อย่างตากับสีนน en, เนี่ยนะจิตเห็นเนี่ยเมื่อมันต่อกันขึ้นอ่ะมันจะเกิดจิตเห็นขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเห็นจะเรียกว่าเป็นผลของตากับสีก็ได้นี่นะคือมันต่อกันขึ้นแล้วมันจะได้ผลคือจิตเห็นขึ้นเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าอายตนะความหมายแรกก็คือเป็นเครื่องต่อเนี่ยนะก็คือต่อให้เกิดจิตและเจตสิกตามทวานนั้นๆันั่นเอง ควมหมายที่สองว่าเมื่อ uh, ธรรมะอันเป็นอายะคือเป็นบอ่อเกิดแห่งอาสวะมีอยู่ธรรมะคือจิตและเจตสิกนั้นย่อมแผ่ไปคือย่อมยังธรรมะอันเป็นบอ่อเกิดแห่งอาสวะ น, นี้ให้กว้างขวางอันนี้อย่างที่สองใช่ไหมคือ <c oughs> <c oughs> เป็นการแผ่ธรรมะอันเป็นบอ่อเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายก็อาสวะมันจะเกิดมันจะเกิดที่ไหนแล้าถ้าไม่มีตาไม่มีสีอาสวะมันจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นที่แผ่ของ อาสะวะก็ได้สานวนว่าถ้าอันนี้เปรียบเหมือนกับไฟแลบอ่ะนะเหมือนก็อะไรมันแลบขึ้นมาเนี่ยอาสะวะมันก็แลบทวารตานี่แหละออกมาแลบทวารหูวังวันมันแผ่ไปในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเนี่ยนะแต่ถ้าในสูตรที่เราเรียนก็คือสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์มันแผ่ที่ไหนล่ะมันมันแผ่ที่ไหนก็แผ่ที่ตาแผ่ที่หูแผ่ที่ จมูกแผลที่ลิ้นแผ่ที่กายแผ่ที่ใจเนี่ยนะเพราะว่าบาปอากุศลหรืออาสะวะเนี่ยมันจะกว้างขวางนะที่ทั้งหลายเหล่านี้ผู้ที่เจริญอายตนะบับพพะเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มากถ้าถ้าว่าโดยธรรมดาทั่ ว, วไปถ้ามีความรู้ไม่มากจะเจริญอะไรแทบไม่ได้เลย ํานวณว่าที่เจริญไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปว่าหนึ่งจะต้องรู้จักตาพร้อมทั้งสมุดฐานหรือพร้อมทั้งปัจจัยเป็นอย่างดีใช่ไหมสองสีเนี่ยนะต้องรู้เป็นอย่างดีแล้วจึงมารอบรู้ว่าวิถีจิตดวงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างการเห็นอันนะอันนี้อย่างสุที่ต่อไปทีนี้ต่อไปก็หยิบเอาสังโยติสิบมามามาไข่ครวนดูนะเพราะจะต้องมีความรู้เรื่องสังโยติสิบทีนี้สังโยติทั้งสิบเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นนะยังรู้ว่า สังโยชน์ทั้งหมดถ้ามันยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ยังไงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละมันได้ยังไงแล้วจะละเด็ดขาดที่ไหนอันก็นับว่าเรียกว่าอาศัยความรู้มากเลยนะคือจริงๆแล้วธรรมะทุกทุกหมวดเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้มากทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าหมวดไหนใช้ศัพท์แล้วทําให้เกิดความคิดที่กว้างขวางในในอัธยาศัยของเราเท่านั้นเองย้อนทบทวนอีกครั้งว่าไอ อายตนะในที่สองก็คือการแผ่ธรรมะอันเป็นบ่อกเกิดแห่งอาสะวะเราอาสะวะกับสังโยชนี่แทบไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นจะใช่คําว่าเป็นการแผ่ธรรมะอันเป็นบ่อกเกิดแห่งสังโยชน์ทั้งหลายก็ไม่ผิดเพราะสังโยชน์มันแผ่แถวนี้นะฝึกคิดดูนะว่าเวลาเห็นเนี่ยสังโยชนิบมันเป็นยังไงได้บ้างในย่าที่สามว่าก็อายตนะเหล่านี้ย่อมนําไปคือย่อมไปสู่อขออภัย ย่อมให้เป็นไปเนี่ยถ่ายเดียวสู่สังสารทุกข์อันยาวนานมาแต่อดีตอันเป็นปเป็นไปล่วงไปในสังสารมีเงื่อนต้นและเงื่อนสุดอันรู้ไม่ได้ให้หวนกลับไม่ได้คือพูดถึงว่าไอสังสารวัตในอดีตเนี่ยนะที่ไหลามาเนี่ยถ้าใครย้อนในอายตนะในอดีตนะว่าตาเนี่ยเริ่ม มันสืบต่อกันนะนะตากับสีเนี่ยสมมุติว่าตาภายในอายตนะภายในเนี่ยเริ่มสืบต่อกันแต่เมื่อไหร่ย้อนไปในอดีตนี้ไม่มีไม่มีจบมีสิ้นแล้วตาของเราเนี่ยจะเลิกเห็นต่อไปอยังไงเนี่ยนะตาเนี่ยจะเลิกคิกว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนอเนี่ยนะใครกําหนดได้แล้วใช่ไหมว่าฉันจะมีจักษุอีกแค่เจ็ดลูกเท่านั้นแนหะ เมื่อวานพูดถึงลิ้นแล้วใช่ไหมลิ้นมี2แฉกก็มี3แฉกก็มีลิ้นสั้นก็มีลิ้นหมาก็มีลิ้นบางก็มีนะยังเหลืออีกกี่ลิ้นกันวันนี้ก็มาดูตาอย่างเช่นตาเน้นนะเพราะฉนั้นมันต่อตาเนี่ยนะทิ้งตาอันนี้ก็ถือเอาตาอันใหม่ทิ้งตาอันนี้ก็ถือเอาตาอันใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยอันนี้ลักษณะของสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมเรียกว่าตายบ่อยๆแล้วก็เกิดอีกบ่อยๆเพราะนั้นตาแตกตาอันนี้แตกทําลายก็ถือเอาตาอันใหม่ ทีนี้เมื่อมีตาเนี่ยตาในฐานะเป็นทาวารใช่ไหมจิตเจตสิกก็อาศัยตานี่แหละเกิดขึ้ น, น, นนะทีนี้การเป็นไปแบบเนี้ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดว่ามันจะจบเมื่อไรเมื่อไรจะเลิกเห็นเนี่ยนะมันก็เห็นอย่างเนี้ยไปด้วยแต่ทีนี้หลังไอ้ที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ายังไงต้องเห็นนะเอาไม่เห็นไม่ได้ตันหามไม่ยอม พรถ้าตาจะเห็นไม่ชัดปั๊บเนี่ยตันหากระซิบบอกมาต้องซ่อมให้มันดีนะนะใช้สร้างตันหาอันนี้ก่อนถ้าตาไม่ค่อยดีจริงๆทําบุญนะป่าธนาตาเลยสาธุชาตินะให้ตามันดีกว่าที่ันตันหานี่จะเสี่อมสอนบอกเลยนะมันต้องตาแบบนั้นแบบนั้นอันนี้ถ้าพูดแบบคนมีกรรมสกตาหน่อยนะคนไม่มีกรรมสกตาหน่อยก็ทําตาแลบตาถลึงตาอะไรก็ทํำไปโกรธเอาไว้เนี่ยนะตัวชาติหลังๆก็ตาเหมือนตาปูงี้เลยนี่ โลออกมาข้างนอกได้อ่ะแล้วก็ตัวใหญ่ตาเล็กก็มีใช่ไหมตัวเล็กแต่ตาใหญ่ก็มีอนะตัวนี้เดียวต่ตาโตหน้าด้วยเห็นแล้วกลัวเลยนะมีไหมนกบางอย่างมีไหนกฮูกเนี่ย โ, โอ้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ตาเนี่เห็นแล้วกลัวเลยอนะกันพวกอายตระนะเหล่านี้ไม่รู้ว่าเริ่มแรกม า, มาตั้งแต่เมื่อไร่แล้วก็ไม่รู้มันจะไปจบที่ไหนเนี่ย แล้วสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ติดข้องในสิ่งเหล่านี้นี่ซ่อมตามัาง่งซ่อมหูบัง่งซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมร่างกายเนี่ยคำว่ากายนี่กว้างอะนะตั้งแต่ผมนั่นแหละจรดปลายเล็บทราบว่ากายนี่กว้างแล้วก็ซ่อมใจบั่งอะนะแล้วก็เพื่อจะรักษาให้มันมีไอ้ความคิดต่อไปเพราะนั่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยินดีในจิตและเจตสิกเนี่ยมากนะโดยโดยปกตินเนี่ยนี่ คือในปัญจโวโการะพพวกนี้จะเป็นพบที่ยินดีทั้งรูปและทั้งนามใช่หทั้งทั้งวัตถุอารมณ์แล้วก็ไอธรรมะที่อาศัยวัตถุอารมณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สรรหาประกอบให้มันได้นะให้มันได้เข้าร่องเข้ารอยถ้าใครไม่เข้าร่องเข้ารอยก็เรียกว่าทุกข์ร้อนเดือดร้อนก็พวกนี้แหละสรรหาไปดันั้นตัวที่นำไปสู่สังสารวัฏจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนใช่ไหมก็คือ อายตนะนะแต่ก็จริงนะว่าอดีตที่ผ่านมามันมันพ้นอายตนะไหมก็ไม่ได้พ้นอายตนะอะไรวันพรุ่งนี้ก็อายตนะอีกชาติหน้าก็มันมีตาเพื่อจะเห็นอีกนั่นแหละชาติต่ อ, ต, อต่อไปมีตาเพื่อที่จะเห็นอีกนั่นแหละแต่ทีนี้เห็นแล้วสังโยชน์มันก็ก็เอาเรื่องกันนะพอหลังจากเห็นเนี่ยสังโยชน์เสก็เกิดขึ้นฝึก ฝึกการใคร่ควรวญธรรมะแรกๆเนี่ยคือการเจอพยัญชนะตรงเนี่ยในอายตนะบัพพาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมนั้นอ่ะไม่ใช่ของการอ่าเห็นสีแล้วกําหนดอยู่แค่สีเฉยๆเนี่ยนะถ้าจากศึกษาบัพพาเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นการทําวิจัยอย่างมากเลยเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้คําว่าสังโยชนสิบก็ย่อมาเหลือเป็นนิวรห้าก็ได้เหลือ เยกว่ย่อขยายไอ้บาปอากุศลก็ได้ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อตามองเห็นปั๊บเนี่ยต้องเจริญพ่อชงเจตได้เหมือนกันเพราะเพราะเพราะถ้าไม่เจริญสังโยชน์มันก็เจริญพ่อชงใชไหมก็ต้องเอามาสับกันให้ได้อย่างนี้ขยายคําว่าอายตนะเพิ่มเติมต่อไปเอกว่าชื่อว่าอายตนะเพระอัฏฐาว่าเป็นที่อยู่ไอ้คำว่าเป็นที่อยู่หมายถึง ธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นเหล่านั้นย่อมอาศัยอยู่ในอายตนะทั้งหลายมีจักรสุเป็นต้นเพราะความเป็นไปเนื่องด้วยจักรสุเป็นต้นเห็นไหมเพราะเหตุนัน้นอายตนะมีจักขู่เป็นต้นจึงเชื่อว่านิวาสถานคือเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตและเจตสิกเห็นไหมตานี้เป็นที่อยู่ของจิตและเจตสิกนะสีก็เป็นที่อยู่ของจิตและเจตสิกเหมือนกันแต่โดยอรารมณะผัสจายตาก็เป็นที่อยู่โดยวัตถุเห็นไหม ในที่สองอก็เป็นอากรเนี่ยหมายความว่าจิตและเจตสิกเหล่านั้นก็เกลื่อนกลนในอายตนะมีจักขูเป็นต้นเพราะอาศัยจักขู่เป็นต้นนั้นและเพราะความที่รูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์มีอยู่เพราะเหตุนั้นอายตนะมีจักขูเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นอากรคือเป็นบ่อเกิดของจิตและเจตสิกใช่ถ้าไม่มีตาไม่มีสีเนี่ยจิตเจตสิกก็ก็ไม่เกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เรียกว่าบ่อเกิดก็ได้บ่อเกิดของจิตและเจตสิกเนี่ยนะกว่าเมื่อมีตามีสีเป็นอันว่าต้องเป็นมีมีจิตล่ะเมื่อมีหูมีเสียงก็เป็นอันว่าต้องมีจิตละเมื่อมีจมูกมีกลิ่นก็เป็นอันว่าต้องมีจิตเมื่อมีลิ้นมีรสก็ต้องเป็นอันว่ามีรู้รสขึ้นมาละเมื่อมีกายมีโพธิภพก็เป็นอันว่าต้องกายะบิญญาณก็เกิดเนี่ยนะเพราะที่นี้เป็นเป็นบ่อเกิดอยู่แล้วใช่ อันหนึ่งจากขู่เป็นต้นชื่อว่าเป็นที่ประชุมสมสอสรด้วยนะอายตนะนี้แปลว่าสมสรก็ได้เป็นที่สมสรของจิตและเจตสิกเหล่านั้นเพราะเป็นที่ประชุมด้วยอำนาจวัตถุทวารและอารมณ์ในอายตนะนั้นนนะเรียกว่าสมสรสสมสรของจิตและเจตสิกเนี่ยนะอายตนะเนี่ยใครที่ชอบเข้าสังคมก็จะอาจจะเข้าใจชัดกับศั์นี้ก็ได้นะ สมสอสรนั้นสมสอสร น, นี่แสดงว่าเป็นที่รวบรวมของคนต่างๆมาประชุมกันนะนะสมสรกับสมาคมมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะนะตอนพวกนี้ก็จะเปรียกว่าสมาคมของจิตและเจตสิกก็ได้ะสมอสอนของจิตและเจตสิกก็ได้นะอีกความหมายหนึ่งบอกว่าเป็นถิ่นเกิดก็ได้บอกว่าจิตและเจตสิกเหล่านั้นเพราะความเกิดขึ้นในอายตนะนั่นนั่นแหละโดยความเป็นนิสยาปจัย และโดยเป็นอารัมณปัจจัยของจิตและเจตสิกนั่นเองอันหนึ่งอายตนะมีจกักขู่เป็นต้นเป็นกัลณะคือเป็นเหตุของจิตและเจตสิกเหล่านั้นเพราะความที่อายตนะมีจกักขู่เป็นต้นเหล่านั้นไม่มีจิตเจตสิกก็หามีไม่มีอันนี้แปลว่ากัลณะนนี้เป็นเหตุคือเป็นเหตุถ้าไม่มีอายตนะเหล่านี้จิตเจตสิกก็ไม่เกิดนั่นเองก็เลยเรียกว่ากัลณะคือเป็นเหตุนั่นเอง ย่อทวนนะว่า 1. เป็นที่อยู่ของจิตเจตสิกสองเป็นอากอนคือบ่อกเกิดของจิตเจตสิกสเป็นสมสรคือที่ประชุมของจิตเจตสิกสี่ก็เป็นถิ่นเกิดของจิตเจตสิกห 5. ก็เป็นเหตุคือการณะของจิตและเจตสิกนั่นเอง มีคำอธิบายน่าคิดอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าพิจารณาโดยการพึงเห็นว่าพึงเห็นโดยอาการยังไม่มาถึงอย่างหนึ่งและก็โดยการไม่ออกไปจริงอยู่อายตนะเหล่านั้นเมื่อก่อนแต่ผุดขึ้นย่อมมาจากที่ไหนก็หาไม่เอตานี่มันผุดมาจากไหนก่อนไงมันมีที่ผุดมาหรือเปล่าสีก็เหมือนกันนะมันมีที่ผุดมาหรือเปล่าเนี่ยนะตังว่า แม้หลังจากความสลายแล้วจะไปสู่ที่ไหนๆก็หาไม่อ น, นั้ที่เรามีตาไงนะ แ, แรกตาเนะี่ยตานี่มันผุดมาจากไหนเออถ้าตายแล้วมันหายไปไหนท่านก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มาจากที่ไหนและมันก็ไม่ได้ไปไหนโดยที่แท้เมื่อก่อนแต่ผุดขึ้นอายตนะเหล่านี้ยังไม่ได้ภาวะของตนโดยเฉพาะหลังจากสลายไปก็มีภาวะของตนแตกหมดแล้วเหตุที่มันเนี่ย ไปได้ในเบื้องต้นและเบื้องปลายท่ามกลางก็เพราะปัจจัยใช่ไหมเบื้องต้นมันก่อขึ้นอาศัยปัจจัยนี่ก่อตัวขึ้นให้เป็นตาที่มันดํารงอยู่ได้ในท่ามกลางยาวนานเนี่ยนะเช่นตามสมควรแก่อายุเนี่ยอันนี้นก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยพอสิ้นปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็แตกสลายไปเพราะฉะนั้นจํานวนว่าไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ไปแต่ได้อาศัยปัจจัยแล้วมันเกิดขึ้นใช่ไหม เพราะไม่ใช่ตาอันนี้หายไปแล้วมันไปนแลบตาอันใหม่ที่ไหนเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อันนี้นี่มองตัวตาเองนะเพราะมันได้ปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นเหมือนกับแสงสว่างเนะี่ยที่มันสว่างเนะี่ยแสงนี่มาจากไหนคือมันได้ปัจจัยแสงมันก็เกิดถ้ามันหมดปัจจัยมันก็มืดลงนะลักษณะเดียวกัน